เหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโครพระพุทธภาสิตจะท่าดันเทนะโกปาโลคาโวปาเชติโครจรังเอวังชราจะมัจจุจักอายุปาเฉติบาลนินางแปลความว่านายโคบาลย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท h o ไม้ชั้นใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปอธิบายความ จะพนานาเรื่องความแก่ความตายและอายุ ข, ของสัตว์ทั้งหลายพอสังเกตความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจำเลอะเลือนถดถอยตามธรรมดาอาวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พ อ, อย่างเข้าสู่วัชารา อวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกระคือจุดดำๆฟันหักผมหงอกหนังเหี่ยวย่นและยานผู้เสียงสัน่นหลังโก่งเป็นต้นความวิการแห่งอินทรีย์นั้นพึงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลายๆครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่น สูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือความวิการแห่งอินทรีย์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดจะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจักกูบาลกล่าวว่าชราชัตชริตาห้วนติหัตถปาดาอนัสวายาสะโซวิหัตตท่าโมกระทั่งธรรมจริสติ มือเท้าของบุคคลใดคร่ำคร่าเพราะชราว่าไม่ฟังผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจากประพฤติทำอย่างไรด้วยเหตุนี้พระาศาสนาจึงทรงเตือนให้รีบทาความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่มหากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตว่าอจะริตวารมะจริยังอรทา โยภพเนกาธนังชิ น, นโกนจาวะชายันติขีนะมัจเจวะปัละเลบอุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกระเรียนแก่ลงปลักที่ปลาหมดเสียแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกำลังวังชาอ ย, ย่างดีจึงควรรีบทำความดีรีบหารั์สร้างเนื้อั้งตัวเมื่อความแก่ยากเข้าขมากาลังวังชาถด อ, อย ความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอุท่านะกาลัมหิอนุทะหาโนยุวาภรีลาละเสียงอุเกโตสั้นนะสั้งกัปปะมโนกุซีโตปานยายะมะคขังอะะโซนะวินติบุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้แต่กีดครั้นมีความดาดิอันจมเสียแล้ว ย่อมหม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความลำริอันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่มีความคิดติเริ่มมีแต่ความเกียดคร้านเป็นเจ้าเรือนคนอย่างนี้แม้ยังหนุ่มมีกำลังความหนุ่มและกำลังนั้นก็เสียเปล่าน่าเสียดายพอคิดจะทำอะไรเข้าก็คิดทำแต่เรื่องเสี ย, เ, สยเช่นชักชวนกันเล่นการพนันชักชวนกันเป็นนักเลงหญิงนักเลงหัวไม้มีแต่จะนาอันตรายมาให้ตัว นำชื่อเสียงไม่ดีมาให้ครอบครัวและสกุลวงในการสแสวงหาปัญญาความรู้แสวงหาวิชาก็ควรทำตั้งแต่ยังหนุ่มสมองยังว่องไวปราดเปรียวแต่แล้วเรียนก็ลำบากอันที่จริงความแก่นั้นมิได้มีไม่ได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิชันนชราความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในมีสุธิมากว่า อันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมานานนั่นทีเดียวความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่อย่างปกปิดมาก่อนแล้วความแก่ยังเปิดเผยจะมีได้อย่างไรคนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารักดียังหนุ่มอยู่ทําแก่เกินไปก็น่ามันไส้แก่แล้วยังทำหนุม่มก็น่าเกลียดมาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงความสิ้นอายุ หมดลมหายใจความแตกแข่งขันขันธานาเพโดการทอดทิ้งสรีล ะ, กะเกลวะระศักมิเคปโปการที่อินทรีย์ขาดอินทรีย์ยสะอุปัเชโดความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกการระมลณนะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมาก แก่คร่ำคร่าจนตายไปตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มีเรียกอากาละมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีหามหล่นก็มีอ่อนหล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มี ควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมรืนนี้เมื่อความตายมาถึงความผัดเพี้ยนผ่อนผันก็ไม่มีบุตรพัญยามารดาบีดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้นี่คือพระดำรัสแห่งพระศาสดานอกจากนี้ทรงสอนให้ระลึกถึงความตายเนืองๆทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกรอนไว้ว่า คิดถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ย่อมต้อนบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสั่งสมกรรมดีควรประพฤติธรรมหมั่นรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆอย่างกล่าว การเวลาผ่านไปย่อมคร่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ร่วงไปเปล่าไม่สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาโลคะสติภูตานิสับบาเนวะสหัตนาการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมในตัวมันเองอันหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้ซะอีกยังมีสาระบ้างอายุอุตมาจะวิญญาณัง ยาดากายังชาหันติมังอปวิทโทตดาเซติเอทหาซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณลากายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สาระในกายนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่ปุปารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายปีนางวิสาขาเป็นต้น มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณห้าร้อยคนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในปุพารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อที่ผสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้ววัยกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่า เพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจากการต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไมแต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคําตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนําเธอทั้งหลายไปฟั ง, งพระศ า, าสดาทูลเล่าเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบพระศ า, าสดาตรัสว่าวิสาขา สภาวธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบานที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งผอไปยังความเก็บความเก็บส่งไปยังความตายวรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนาวัตะัเสียทั้งนั้น วตระนั้นหมายถึงการเวียนว่ า, ายตายเกิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท้าดันเดนะโคปาโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น